บุ <Book> two. ๊กทูยี่สิบสองสิบการสนทนาหนึ่ง percakapan kecil satu ทำตัวตามสบายครับ buatlah diri Anda senyaman mungkin ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับรู้สึกัารส์เป็นเหมือนอยู่บ้าคุณอะสรยาคุณอกดื่มอะรครับามนคุอรับ anda ingin minum apa คุณชอบดนตรีไหมครับ anda suka musik ผมชอบดนตรีาสคุาสมูสิกมอบนคครับ s a y ส s ก k a musik ม l a s อยครับ นี่คือซีดีของผมครับ ini adalah semua c ค่ d s a y a ครณเล่นเองครืน่องดมตรัีเป็นไหมครับ a d a a n e d a b e h e m u a i n a l a t s m u a i k นี่ a ือก s a ีของผมครับนี่ adalah a ข อ, องผมครับ adalah a อครั a a ของผมครับมร้ีองเพลรดงไหนมครับ Apakah Anda suka bernyanyi? คุณมีลูกไหมครับ Apakah Anda punya anak? คุณมีสุนัขไหมครับ Apakah Anda punya anjing? คุณมีแมวไหมครับ Apakah Anda punya kucing? นี่คือหนังสือของผม ini a d อ l น h b u k อ b u k u saya คสผมกำลังอน่านังสือมนีหนังสือเล่ังมนี้ saya sedang m e m b ม c a buku ini มคุณชัอบอ่คอนอะไรีครับ a n อ a อ u k a m e ่ b a c a น p a อคุณชัอบไปดูคอนัสือขนหสขมครับมมัคอคอนอหมคั and ชอบไปดูละครไหมคับคุณชอบไปดูละาครุไปดูหมครับ anda s u ไ a pergi ke The หมครับคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับไดาไหมครับุณไปดูโอเปร่าไหมครับุณอป่าไับปด่าไุณไปดูโอเป่าไหมครับารุณไป่